พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8ตุลาคม2555มีชื่อเรื่องว่าทุกอย่างถ้าไม่ฝึกก็ไม่เป็นวันนี้เป็นวันพระ วันนี้ตรงกับวันที่แปดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสิบเป็นวันพระปฏิบัติธรรมของพวกเราวันนี้หลวงพ่อได้เห็นคณะจิตลูกหลานถัดทายาติโจมมาเข้าสู่วัดวาศาสนา นี่ท่านนายอำเภอนายูงของเรามานั่งไหว้พระสวดมนต์ร่วมกับพวกเราด้วยวันนี้แล้วก็มีหัวหน้าสอพปเขตสี่แล้วก็มีทั้งตำรวจข้าราชการครูบาอาจารย์มากมายวันนี้ที่เขามาปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเห็นพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็ปลื้มใจเพราะว่าถ้าว่าพวกเราสนใจไฟธรรมะในยุคใดสมัยใดในยุคนั้นสมัยนั้นในชุมชนกลุ่มนั้นก็จะเป็นผู้มีเหตุผลคนที่มีเหตุผลอยู่ด้วยกันรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักสูง ร, รู้จักต่า รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักสัมมาคารวะถ้าพวกเรารู้จักกาละเทสะบุคคลอยู่ด้วยกันถึงจะอยู่มากมายหลายหมู่หลายคณะก็ร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเพราะเหตุใดเพราะว่ารู้จักการเป็นอยู่รู้จักการวางตัวของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีธรรมะคือไม่มีหลักเหตุผล ธรรมะคือหลักเหตุผลถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่ด้วยกันมากมายพวกเราก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้พอมีแต่เรื่องอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันพวกเราจะหวังและจะมีความสุขไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรพอหลวมป่ากก็พูดออกไปไม่จักไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่มีสัมมาคารวะ สิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายหลับตานึกคิดดูให้ดีก็แล้วกันพวกเราจะหาความสุขได้ไหมถ้าเรามีลูกขึ้นม า, าลูกอยากจะด่าพ่ออยากจะด่าแม่อีนั่นไอ้นี้ขึ้นม า, เ, าเราจะรับได้ไหมแล้วกับผู้น้อยก็เหมือนกันด่าผู้ใหญ่อย่างนี้ผู้ใหญ่ก็รับไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าการวางตัวและการไม่รู้จัก การวางตัวไม่รู้จักกาลเทศะบุคคลต่างคนก็ต่างหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนของพวกเราเพราะนั้นพวกเราก็ามาสู่ธรรมะสู่วัดวาศาสนามาอบรมมาหาหลักเหตุผลมาฟังหลักเหตุผลหลักของพระพุทธศาสานาถ้าพอพวกเราศึกษาให้ลึกซึ้งลงไปแล้ว พระธรรมแป0 0มสี่พันพระธรรมขันของพระพุทธเจ้ามีมากมายที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาในเมื่อพวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนในขณะนี้เดี๋ยวนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันในเมื่อเราเป็นพ่อแม่เราก็วางตัวกับลูกอย่างไรเมื่อเราเข้ไปหาครูบาอาจารย์พระสง์ เราควรวางตนอย่างไรในเมื่อเราเป็นพระสงฆ์เราอยู่ในศีลสองร้ตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากยบุตรพุทธชินนรสเราปฏิบัติตนอย่างไรอย่างนี้ในเมื่อเราเป็นหัวหน้าเราควรวางตนอย่างไรเมื่อเป็นลูกน้องเราควรวางตัวอย่างไรมันมีอยู่ในสถานะของตนเองทั้งนั้นถ้ารู้จักสถานะรู้จักการวางตัว มองตัวเองอย่าลืมตัวให้มองตนเองไว้อยู่เสมอพวกเราไปอยู่รากสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขด้วยการทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะรู้จักการวางตัวรู้จักกาละการสถานที่บุคคลควรจะวางตนอย่างไรนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้มีหลายระดับถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วระดับ การอยู่ด้วยกันในชุมชนแล้วก็การวางตัวเฉพาะตนเองการวางตัวเฉพาะตนเองนั่นคืออะไรการคิดอะไรเดี๋ยวนี้เราคิดผิดและคิดถูกคิดเป็นสัมมาทิฏฐิหรือคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือคิดสัมมาทิฏฐิคิดในใจของเราเมื่อคิดไม่ดีทำออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปก็ไม่ดี ถ้าเราคิดดีทําออกไปก็ทําดีถ้าพูดออกไปก็พูดดีเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงให้อบรมใจให้อบรมจิตอบรมตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนกนึกคิดตัวนึกคิดไม่มีตัวตนตัวนึกคิดตัวนี้แต่อบรมในหลักของพุทธศาสนาให้อบรมตัวนึกคิดจะทํำยังไง ตัวนักคิดนั่น จ, จะมีเหตุมีผลให้มองเขามองเราในเมื่อเราคิดแล้วไปทําให้กับเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อนักคิดไปในทางที่ถูกต้องเราไปเพื่อกูลหนุนเขาช่วยเหลือชุมชนกลุ่มของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาก็เช่นเดียวกันถ้าเขาคิดไปในทางที่ดีมาเบียดเบียนเราเรามีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเขาคิดในทางที่ดีมาช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนเราช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เราในเมื่อเรามีความจําเป็นหรือเจ็บไข้ได้ปวยตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขามาช่วยเหลือเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือเขาเราเขาเราสรุปแล้วก็คือทีนี้เราจะอบรมอย่างไร ในหลักของพระพุทธศาสนาอบรมอย่างไรเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาและท่นเเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ 80,000 สพันพระธรร ม, มขันธ์มากมายแต่สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์จะจิบอันไหนออกมาบอกกล่าวหรือแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังท่านจะพูดเรื่องทานหรือท่านจะพูดเรื่องศีล หรือท่านจะพูดเรื่องสมาธิเรื่องถึงท่านจะพูดเรื่องปัญญาคำว่าปัญญาคำนี้ก็มีมากหลายอีกปัญญาทางโลกปัญญาหาเลี้ยงชีพปัญญาที่เบียดเบีย น, ยนตนและผู้อื่นาการเบียดเบียนคนอื่นก็ปัญญาเหมือนกันนะแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิปัญญ า, าคิดด้วยปัญญาตัวเองแล้วก็คิดทํำลงไปให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกัน แต่ว่าสัมมาปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิปัญญาเนี่ยคือคิดจะคิดอะไรไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดอะไรมีแต่พยายามส่งเสริมคนอื่นและตนเองให้มีความสุขไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเขาไม่คิดเบียดเบียนตนเองนี่แหละอันนี้คือใช้ปัญญาเหมือนกัน พนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้มากแต่ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็พูดถึงทานทานทำไมจึงสอนให้คนให้มีทานถ้าคนสอนให้คนไม่รู้จักการเสียสละเป็นคนขีดตะนีทีเหนียวไม่มีการแบ่งปันไม่การไม่มีการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีกับใครๆ ต่างคนก็ต่างอยู่หเห็นใครใเข็นใครนิดเดีดหน่อยก็โทษโกษรธเกรืองกันผลในสุดก็ บ, บียดเปลี่ยนกันลังแกกันเพราะไม่เข้าใจกันไม่มีการยืดหยุ่นต่อกันโลกทั้งโลกในยุคนั้นสมัยนั้นก็หาความสงบลมเย็ยนเป็นสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะโลกไม่มีน้ำใจต่อกันอันนี้ก็คือทานศีลโลกทั้งโลกไม่มีกฎไม่มีระเบียบ ไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ใดมีอำนาจผู้ใดมีบริษัทบริวารมากคนไหนที่มีกำลังที่เหนือกว่าก็เบียดเบียนคนที่มีกำลังที่ด้อยกว่าอาณจำเปไทยจะต้องมีกฎระเบียบคือเป็นผู้มีสินสินคือคุ้มครองการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายท่นนี้ยังไม่แล้วนะยังมีทานมีการเสียสละแล้วยังมีการ คุ้มครองในการเป็นอยู่แล้วท่านยังให้เน้นหนักไปทางเรื่องสมาธิอีกเถอะ น, นแต่เพียงแต่ว่าการคุ้มครองเท่านั้นมันยังไม่พอมันยังถะเลถลายไปอีกใจมันยังไม่มีเหตุมีผลพอเพียงแต่สติคุ้มครองเท่านั้นมันยังหลุดออกไปได้อยู่ท่านต้องให้มีสมาธิเข้าไปอีกเถอะสมาธิในการดูใจของตนเองเราจะคิดนึกคิดเรื่องอะไร มันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเป็นธรรมมันจึงจะมีเหตุมีผลสมบูรณ์ที่สุดนี่แหละอันนี้คือสมาธิเสมาธิเนี่ยจะทำยังไงจิตใจให้เป็นสมาธิได้เพราะมันทะเลถลายมันมกแวกอยู่ตลอดเปร่ำเวลาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอ่ะพอนั่งไปก็เห็นใจคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้นูน่นจนกว่าจะออกจากสมาธิด้วจึงจะรู้ได้ว่าเรานั่งสมาธิเป็นยังไง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกคณะสัทยายาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะศึกษาเรื่องสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะไม่ใช่ของพระนะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนที่จะเข้ามาและก็นั่งสมาธิ เ, เมื่อจิตใจของเรารวมสงบเป็นหนึ่งแล้วน ะ, ะพวกเราจะได้รับความสุข กายสบายใจสุขใจนะพูดง่ายๆคือสุขใจนะไม่ใช่สุกกายสุกกายก็เป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองแต่สุขใจนะั่นะน่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนะเรื่องสมาธิต้องฝึกถ้าไม่ฝึกกนะ็ไม่ได้นะสมาธิเนี่ยนะต้องฝึกเนะพราพระพุทธเจ้าท่านไปฝึกทังหกปีอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่ตามลําพังพระองค์เอง ขณะท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านยังไปฝึกสมาธิอยู่ในป่าพวกเราคิดดูให้ดีสิพระพุทธเจ้าท่านไปยังไงท่านจะไปฝึกอยู่ในป่าตามลําพังท่านฝึกยังไงเนี่ยนลองผิดลองถูกลองถูกลอ ง, ลองผิดตั้งหกปีพวกเราคิดดูพวกเรามาวัดเพียงวันเดียวเท่านี้แหะผิดสถานที่เท่านี้แหะพวกเราก็ยังไม่สบายใจไม่สบายกายล่ะ น, นี่พระพุทธเจ้าอยู่ในเวียงวัง ความสุขขนาดไหนท่านยังไปอยู่ตามลําพังอยู่โคนต้นไม้อีกต่างหากไปดูสิตรงที่ท่านตัดจรู้นะก็มีต้นโพธิ์เท่านั้นเองที่ท่านไปปฏิบัติที่ไปนั่งภาวนาที่นั่งบําเพ็ญท่านสู้ขนาดไหนเนี่ยคิดดูสิพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเรานะท่านไปทดลองทดสอบอยู่นั่นนะไปนั่งภาวนาใคร ใครจะรู้ท่านว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะไม่มีวิทยุโทร ส, สับโทรทัศติดตามเหมือนทุกวันนี้ในเมื่อท่านไปอยู่ตามลําพังอย่างนั้นห่างไกลจากกรุงกบินลพัทหลายร้อยกิโลเขาว่าหลายร้อยกิโลนะจากกรุงกบินลพัทมาถึงในต้นโผพุทธกายาทุกวัน เ, เนี่ยในเมื่อท่านมาบอมเพลนอยู่ตามลําพังอย่างนั้น การปิณธบาตการอยู่การฉันการขบการฉันการเป็นอยู่ทุกอย่างพระองค์เป็นอยู่อย่างไรไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นเมื่อพระองค์ไปค้นคว้าศึกษาเป็นเวลาถึงหกปีทั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์เกิดมาจากเวียงจากวังมีความสุขมาแต่อ่อนจะออกแต่เด็กต่อมาก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินสมบูรณ์แต่ท่านหนีออกจากเวียงวัง เพราะท่านอยู่ในเวียงวังไม่สามารถจะคิดค้นคิดหาสิ่งที่ดีๆได้ท่านถึงออกมาจากเวียงวังมาอยู่ตามลำพังมาค้นคิดคิดหาวิธีการจะทำยังไงจึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ท่านท้าจะว่าไปสิทธิษฐนี่กลัวมากกลัวความตายแก่เจ็บตายท่านกลัวเพราะท่านเห็นแล้วนะโอ้จะทำยังไงจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไร จะมีทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำยังไงนี่แหละท่านยังไปค้นคว้าศึกษาอยู่ตามลำพังวันเดือนหกเพนนนั่นอ่ปีนี้ว่าพุทธชยันตีนะี่ก็คือประพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกหกร้อยปีหกร้อยปีพอดีคาว่าหกร้อยปีนะี่ก็คือนับปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แต่ว่าสองพันห้าร้อยปีเนี่ยห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปีเนี่ยคือพระพุทธเจ้าปรินิพานพระพุทธเจ้าปรินิพานนับนับปีพระพุทธเจ้าปรินิพานเมื่อสองร้อยห้าสิบห้าปีแต่ณท่านับพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสองพันหกร้อยปีพอดีปีนี้นี่แหละ ปีนี่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นะนว่าเป็นหกร้อยปีสอง0ันปีนี่แหละพระพุทธองค์ได้ค้นคว้าศึกษาทดลองอยู่ตามลำพังพระองค์เองจนได้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนนนะ่อันนี้ก็คือตัวอย่างพระพุทธองค์ลำบากขนาดไหนเพราะนั้นพวกเรามาไหว้พระสวดมนต์มานั่งภาวนาอยู่ตามลำพังอย่างนี้ อยู่ในกุฏิอย่างนี้มีไฟฟ้าใช้อย่างนี้มีห้องน้าห้องนอ ง, ห, ง, นงห้องน้ำอย่างนี้พวกเราอยังคิดว่าลำบากอยู่เหรอฮะให้ถามตัวเองนะถ้าว่ามันมันจะต้องการสะดวกมันสะดวกกว่านี้ใช่ไหมเออพอคิดไปคิดมาถึงคิดให้สุดสิถ้าเมื่อเท่าแกชลามาเมื่อตายไปแล้วมันจะสุกอย่างนี้ไหมเมื่อตายไปแล้วเข้าเราไปอยู่ในะโรงแคบๆมันสุกไหม เขาปิดอีกต่างหากมันเป็นยังไงเราเคยเหตุไหมเราจะอยู่อย่างนั้นไหมสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดดูให้สุดๆนะเมื่อคิดสุดๆแล้วมันจะวางปล่อยวางที่ใจของเรามันปล่อยวางที่ใจของเราอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันให้คิดดูให้ดีให้คิดดูให้ดี ค, ดดดคิดให้สุดๆจนสุดของชีวิตของเราคืออะไรเพราะทุกคนมันจะต้องผ่านไปจุดนั้น ไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้จุดนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมองให้มองมองมองอะไรให้มองสุดๆเมื่อมองสุดแล้วเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างไรนี่แหละท่นี้ท่านหมวัววัเมื่อท่านได้มองสุดแล้วท่านค้นคว้าศึกษาจนได้จัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนั้น อันนี้คือวันสุรสำเร็จจากนั้นท่านก็ได้นำทมคำสอนของพระพุทธองค์ออกมาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาประกาศเผยแผ่ออกมาคือพระธรรมพระธรรมคือคำสอนในเมื่อท่านประสบความสำเร็จแล้วเหมือนกับประสบความสำเร็จในการเกษตรหรือการพานิชหรือการอะไรก็ตามลงลงลงแรง ถ้านาคงธนาคารอะไรก็ตามเมื่อประสบประสบความสำเร็จเขียนแผนที่คล้ายๆกับว่าร่างขึ้นมาว่าวิธีที่เข้าไปเจ้าสําเร็จประสบความสําเร็จในคราวนี้ในครั้งนี้เป็นมาอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่ า, าตัวของท่านเองที่ท่านประสบความสําเร็จมานั้นประสบความสําเร็จมาด้วยได้ด้วยอย่างไรมีความอดทนมากน้อยแค่ไหน อย่างนี้อันนี้พระพุทธองค์ท่านก็ได้บําเพ็ญมาท่านเห็นอะไรท่านเดินมาอย่างไงท่านได้คิดอย่างไรหลังจากนั้นท่านทดลองอย่างไงทดลองอะไรบ้างในขณะที่อยู่6ปีนั้นที่โคนต้นโพนัททดลองผิ ด, ดตดลองถูกทดลองอะไรต่อมีอะไรมากมายจนไปหาดาบททั้งสองอีกดาบททั้งสองก็สอนดิสอนแต่ท่านสอนแต่เรื่องสมาธิดาบท ท่านไม่ได้สอนเรื่องวิปัสนาปัญญาเนี่ยไม่ใช่ทางเนี่ยท่านก็บอกไม่ใช่ทางมันนอ่นองเหนือน่องเหนือจากนี้กว่านี้อีกจากนั้นท่านมาบําเพ็ญอยู่ตามลําพังจนได้ตัดสรู้อย่างหลวงพ่อได้พูดวันเดือน6กเพนท่าได้ตัดสรู้ท่านก็ได้นํำทำคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาแต่เนี้นมามาพูดเรื่องหลวงปู่มั่นท่นี่ หลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นตระกูลของพระกรรมฐานในยุคนี้สมัยนี้แต่อาจารย์ของหลวงปู่ปู่มั่นมีไหมอาจารย์ของหลวงปู่เสามีไหมก็ต้องมีแต่ว่าท่านไม่ได้บันทึกเอาไว้เป็นตัวหนังสือเพราะในยุคนั้น ก, การหนังสือของท่านก็ไม่ยังไม่มีเพราะลุกยุกก่อนพอมาถึงยุคหลวงปู่มั่นเนี่ยกระลุกสิทธิ์หลวงปู่มั่นก็ครูบาอาจารย์ หลายองค์อย่างหลวงตามหาบัวอย่างนี้ท่านก็ได้บันทึกเป็นแนวทางเอาไว้ว่าครูบาอาจารย์ยุกหลวงปู่มัน่นท่านสอนอย่างไรท่านแนะนําอย่างไรแต่ครูบาอาจารย์ยุกเก่าอย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศอย่างนี้แต่บางองค์ท่านก็เขียนได้บ้างแต่ไม่ชัดเจนเหมือนหลวงตามหาปัวแต่หลวงตามหาบัวท่านเขียนไว้ชัดเจนแต่ครูบาอาจารย์ทุกองที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นท่านก็สอนแนวแถวเดียวกันทั้งหมด ในเมื่อกูบาอาจารย์เหล่านั้นสอนลูกศิษย์ของท่านก็มีจากท่านก็ท่าบันทึกแนวความคิดและในการสอนของแต่ละองค์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นท่านก็สอนในลักษณะเดียวกันก็คือพพระพุทธเจ้าท่านนั่งภาวนาท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใ จ, ใจเข้ามีสติสัมปะชัญญะ หายใจออกมีสติสัมปะชัญญารู้หายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกกำหนดลมหายใจแต่หลวงปู่มั่นท่านเวลาหายใจเข้าให้บริกรรมว่าพุด้วยเน้าเพื่อให้มันยาวขึ้นให้มีสติพุธหายใจออกโธหายใจเข้าพดหายใจออกโษอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านเพิ่มเข้า อ, อีกแต่ให้หลวงพ่ออินเพิ่มเข้า อ, อีกทีนึงเพราะว่ากรรมาฐานของพระพุทธเจ้า ทวางไว้ทั้ง4ี่สิอย่างนะคณะสัตยท์ทายญาติโจมลูกหลานนะอ่ อ, อันไหนก็ได้ที่จะทำจิตใจให้สงบแต่หลวงพ่อหลวงปู่บ้านท่านเนให้หายใจเข้าพดหายใจออกโธแต่หลวงพ่อเพิ่มเข้า อ, อีกว่าให้ทดลองลูกหลานให้นับดูนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับสี่นับห้าจนถึงร้อยแล้วกลับมานับหนึ่งอีกหนึ่ง นับนีนได้อะไรนับเนี่ยคือหายใจเข้าเนี่ยเป็นเลขขี้หนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ออป 4. ไปถึงร้อยถ้าถึงร้อยไม่เผลอนะนับถึงร้อยเนี่ยไม่เผลอยังอยู่ได้นับถึงสิบสักห้าหกเจ็ดแปดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งพอนับเสร็จแล้วให้มากำหนดภาวนาหายใจเข้าพุทธให้ายใจออกโถก เพื่อการทดสอบเพื่อการทดลองตัวของเราดูถ้ามันจะหลงหรือมันจะเผลอน่ยมันจะเบอเบอร์เมันจะลืมหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่นะมันสลับกันแปลว่าเราเผลอสติแล้วกลับมาใหม่อีกนับหนึ่งอีกนะนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทดลองดูซิอย่างนี้แหละคือกรรมาฐานหลวงพ่อมั่นใจว่าไม่ผิดไม่ผิดตามทํานองก็ไม่ผิดตาม แนวแถวที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าวางาไว้ถึงกรรมฐานสี่สิบอย่างแต่สุดแท้แต่เราจะกําหนดอะไรพุทธานุสติะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมะระลึกถึงคุณของพระสงฆ์และลึกกาหนดลมหายใจเข้าออกะระลึกถึงมรณะนุสติะระลึกถึงความตายแล้วก็กำหนดลมหายใจอย่างนี้มีตั้ง10อนุสติสิบนะเพราะฉะนั้น เพิ่มก็เป็นสิบเอ็ดกำหนดลมหายใจนับหนึ่งนับสองก็ไม่น่าผิดนะถูกต้องอยู่แล้วนะเราอยากให้มีสติในการนับอันนี้ก็คือให้พวกเราท่านทั้งหลายทดลองดูหายใจเข้าพุหายใจออกถูกทามันไม่อยู่บางคนก็บริกรรมพุโธทโธพุทโธพุโธพุทโธเอาจิตของเราเอาใจของเราเอาตัวผู้รู้ของเรานะให้กําหนดอยู่พุทโธอย่างเดียว อนนี้พุทโธพุทโธอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันทําให้จิตใจของเราไม่มีช่องออกไม่มีช่องทางไปทางอื่นให้อยู่กับพุทโธถี่เย็บถ้ามันมีไม่มีช่องนั่นแหะจิตใจของเราจะเข้ารวมเข้าสู่ความสงบลงได้สรุปแล้วก็คือเราพยายามไม่ให้ใจของเราโป่งฟุ้งออกไปข้างนอกเพราะเดี๋ยวนี้ใจของเราไม่มีกํำลังใจของเรา อ่อนล้าบางทีคิดเออเออละเหยจะไม่รู้จักวิธีการสงบจิตสงบใจไม่ไม่รู้จักวิธีการสงบจนไม่มีสติอยู่กับตัวเองปล่อยปะละเลยคิดเออละเหยลอยลงไปเทลวีตระวัน เ, เพื่อเผอจะเป็นบ้าเป็น บ, เนบอเพราะความคิดของตนเองเอเพอเขามาใกล้ๆแล้วจะจะดุ่งเครื่อง เ, อเพราะมีสติขึ้นมาแต่ขนาดนั้นไม่รู้ว่าคิดไปทางไหน สิ่งเหล่านี้ถ้ามันคิดมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเอาสติอยู่กับตัวเองคนที่มีสติอยู่กับตัวเองดีดีทั้งนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุธทธเจ้านะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้นั่งภาวนาพยายามฝึกหัดนั่งภาวนาพวกเรานับว่าโชคดีนะโชคดียังไงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านสอนวิธีการปฏิบัตมิมีวิธีการภาวนา ท่านสอนพวกเราแล้วก็เดินวิธีเดินเดินมักเดินวิปัสสนาเดินอย่างไรท่านก็สอนอีกถ้าพวกเราถ้าพวกเราทําจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานซะก่อนยังค่อยเรียนใครเขาว่าอันดับแรกเนี่ยอยากจะให้พวกเราเรียนกอไก่ถึงหอนกโูกซะก่อนต่อไปยังค่อยผสมสราสระสาอะจริจรีเข้าไปจากนั้นก็ผสมอ่านอ่านออกละสิพยายามอ่าน กาเนี่ยคืออะไรเนอะไรกอกงกอกลนอะไรใช้กอไก่ใช้ขอไข่ว่ายังไงเราจะอ่านออกเขียนได้ถึงอันดับแรกเนี่ยถ้าว่าเรายังเรียนกอไก่ทึ่หอน้อคู่ก็ยังยังจำไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเราจะไปเรียนผสมสาระเข้าไปมันก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยาก เพราะนั้นอันดับแรกพยายามทำจิตใจให้สงบซะก่อนเป็นพื้นฐานซะก่อนในเมื่อเป็นพื้นฐานแห่งความสงบแล้วนะพวกเรายังค่อยปฏิบัติหรือว่าเดินวิปัสสนาต่อไปทำจิตใจให้สงบเรีย ว, ว่าสมถะนะนะพวกเราสมาธิสมาธิหรือสมถะคืออันเดียวกันแล้ววิปัสสนาวิปัสสนาคือการค้นคิดหาหลักเหตุผล ในการประพฤติปฏิบัติเพราะจิตใจของเราไปติดไปคล้องไปลุ่มหลวงมัวเมากับสิ่งไหนบ้างค้นคว้าศึกษาดูดูใจของตนเองจากนั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราให้ศึกษานะสรุปแล้วก็คือให้ศึกษานะแล้ววันนี้หลวงพ่อก็คงจะไม่พูดอะไรมากตอนนี้ไปให้พวกเราคณะจิตใจโยมนั่งสมาธินะ หลวงพ่อบอกกับพระว่าให้เอาเทศที่หลวงพ่อไปอบรมที่วัดโนนนิเวศมาเปิดซ้ําอีกพระท่านบอกว่าเอาเอาเทศวัดหลวงพ่อโทนที่สงพระธาติก็รู้สึกว่าหลวงพ่อเทศเเป็นพื้นฐานได้ดีอยู่เอาทดลองทดลองฟังดูนะนั่งสมาธิฟังนะบัตนนินะเพราะพวกเราเขามาเพื่อการศึกษานะ เพื่อการศึกษามันต้องฟังฟังให้มากเอาไว้และจากนั้นเราจะได้เลือกนำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราถ้าพวกเราไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ให้กว้างขวางเล่าก็มันก็สงสัยอยู่อย่างเก่านะั่นแหะถ้าพวกเราเรียนรู้เรื่องต่างๆรอบด้านรอบข้างแล้วพวกเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าใจใจของเราอย่างไรพวกเราจะเลือกได้นะ พอเรารู้นะแต่พวกทางพวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ให้กว้างขวางแล้วมันก็มันแคบพอมันแคบกูไปแล้วก็ใครสักจูงไปยังไงเราก็เชื่อตามเขาเ mm. ออบางทีเขาสุจูงเขาป่าเข้าตรงป่าตรงพงไพ่ยังไงก็ไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาถ้าเราศึกษาแล้วเราเปรียบเทียบทันทีเลยเขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรทําไมเออเราจะ เปรียบเทียบกับว่ามันถูกทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมที่เราได้ศึกษาได้ยินมาอย่างนี้เน่ยเราจะรู้จักวิธีการปรปับปรุงแก้ไขตัวเองเราจะไม่เชื่อใครง่ายๆแต่ถ้ามันมีเหตุผลแล้วยอมซิโร ล, ลาไปเชื่อเลยอันนี้มีเหตุผลใช่ถูกต้องอย่างนี้แนหะแต่ถ้าว่ามันดูเอ๊ะไม่น่าจะถูกนะมันจะผิดต่อหลักทำคําสอนนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราได้ศึกษา ได้เรียนได้ศึกษาได้ฟังมาพวกเราจะแยกแยะออกออกนะเอาเปิดฟังเลยนะทีนีนะ้เอาเริ่มเลยแล้วนะเรานั่งสมาธินะทีนี้นะพวกเรานะ